เป็นการจำแนกขันห้าเพราะฉะนั้นถ้าเราทรงจำกรรนะภายในอภาภายนอกวิญญาณภาษะเวทนาสัญญาเจตนาตัณหาวิตกวิจารถ้าจำาจำได้แค่นี้เราก็ท่องได้แล้วหกิบเนนะเทียงแต่ว่ามาศึกษาความเข้าใจเพิ่มเติมนะว่าถ้าจำแบบฉะฉะกระสูตรนี้ก็ง่ายอาศัยจะขู่กับรูปเกิดจะ ธรรมะสามอย่างประชุมการเป็นภาษะแล้วภาษตัวที่เป็นปัจจัยแก่เวทนาภาษาเป็นปัจจัยแก่สัญญาภาษะเป็นปัจจัยแก่เจตนาภาษะเป็นปัจจัยแก่ตัณหาภาษะเป็นปัจจัยแก่วิตกภาษะเป็นปัจจัยแก่วิ จ, า, จ, จ, Mania, จารเพราะว่าถ้าตามอุทยพ ย, ายานนั้นนะเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเกิดขึ้นเพราะภาษาเกิด ขันทั้งหลายเหล่านี้จึงเกิดเศษนิดหนึ่ง้าตามีเวทนาเป็นเหตุเกิดถ้าทั่วๆไปเนี่ยตันหามีเวทนาเ็นเ อ, อตันหามีเวทนาเป็นอัจจัยถ้าเรามาค่อยๆคิดอย่างนี้ทั้งหกทวารก็จะจำได้แล้วหกสิบใช่ไหมทีนี้วิธีเรียกชื่อวิธีจำชื่อให้ได้ก็ไม่ยากนักวิญญาณผัดเวทนา สามอย่างเนี่ยนะวิญญาณภาสะเวทนานมีชื่อตามทวารอันเนี้ยตานี่อุปมาเหมือนอะไรเหมือนแม่อายตนะภายนอกอุปมาเหมือนอ๋อวิญญาณภาษะเวทนานมีชื่อตามแม่เวสัญญาเนี่ยนะสัญญาเจตนาตันหานิตกวิจารณ์เนี่ยมีชื่อตามพ่อเดี๋ยนะ ถ้าจําอย่างนี้ได้นะชื่อก็จำไม่ค่อยยากแล้วอย่างที่กล่าวว่าถ้ามีชื่อตามแม่เช่นวิญญาณมีชื่อตามตาโอ้จมูกลิ้นกายและใจเช่นจักรคูวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยะวิญญาณและมโนวิญญาณก็ได้ชื่อแล้วใช่ไหมถ้าภาษะมีชื่อว่าจักรคูสัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัส กายสัมผัสและมโนสัมผัสอันนี้เรียกว่าผัสสะก็ชื่อตามแม่คืออายตนะภายในหกแม้แต่เวทนาก็เหมือนกันจะขู่สัมผัสชาเวทนาโสตสัมผัสชาเวทนาคานะสัมผัสชาเวทนาเชียวหาสัมผัสชาเวทนากายะสัมผัสชาเวทนาและมโนสัมผัสชาเวทนาก็จะเป็นเวียงกลิ่นรสโพธะะเนี่ยนะ คำว่าพ่อแม่ในที่นี้แม่หมายถึงอายตนะภายในอายตนะภายในหกถ้าเป็นพ่อก็คืออายตนะภายนอกหกนั่นเองเช่นสัญญาก็เป็นรูปประสัญญาสัทธาสัญญาคันธาสัญญาระสะสัญญาโพธะสัญญาธรรมะสัญญาก็จะเป็นสัญญาหกเจตนาล่ะรูปประสัญเจตนา สัทธะสันเจตนาคันธะสันเจตนารสะสันเจตนาโพธะสันเจตนาธรรมะสันเจตนาก็ <c oughs> ถ้าจำอายตนาภายนอกหกเจตนาหกเราก็จําได้ตันหาก็เหมือนกันเป็นรูปปัญหาสัทธะตัญห า, า, หาคันธะปัญหารสะตัญหาโพธะ ต, ตัญหาและธรรมะปัญหาวิตกวิจารก็ในยะเดียวกันเราก็จะจําได้หกสิบเใช่ไหม หกสิบนั้นก็คือการเอาขันห้ามาจําแนกนั่นเองไม่ได้เป็นพิเศษไปจากไหนที่ไหนอะไรยังไงหรอกก็คือการเอาขันห้ามาจําแนกทีนี้ในการจําแนกอย่างนี้เนี่นะก็คือเท่ากับท่านจะบอกเราว่าขันห้าในทวารหกการพิจารณาขันห้าโดยทวารหกว่าขันห้ามันเกิดในทวารหกอย่างไรเห็นไหม คงพอได้นะยกตัวอย่างเช่นทวารหูคือถ้าเราพิจารณานะว่าเขันห้าในทวารหูเป็นยังไงแล้วก็มาสาธยายแบบนี้ก็ได้หูกับเสียงเป็นรูปขันเกิดโสตวิญญาณเป็นวิญญาณขันสามอย่างประชุมกันเป็นผัสสะเป็นสังขารขันเวทนาเป็นเวทนาขันสัญญาเป็นสัญญาขันที่เหลือเป็นสังขารขัน ถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยเท่ากับเห็นปฏิจจสมุปบาทด้วยถ้า้าพิจรณาขันห้าในทวารหกอย่างนี้เนี่ยจะต่อด้วยปฏิจจสมุปบาทต่อด้วยปฏิจจสมุปบาทต่ อ, อยางไรก็สูตรเหมือนที่เราสาธยายเมื่อกี้ใช่ไหมอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมการเป็นภาษาภาษ ะ, าษะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดัญหา ตัญหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติชาติก็คืออ่ น, นะเจตนานั่นแหละคือภพใช่ัหมทวนอีกครั้งหนึ่งนะหูอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณธัมมะสามอย่างประชุมกันเป็นทัศทัศเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัญหา ตันหาก็แบ่งว่าตันหาอย่างอ่อนกับตันหาอย่างแรงถ้าตันหาอย่างอ่อนเรียกตันหาถ้ามีกําลังเรียกว่าอุปาทานตันหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดพบพบก็คือเจตนาเจตนานี้เป็นปัจจัยแก่มีอะไรเป็นปัจจัยแก่หูหรือโสตะนั้นอาศัยหูก็บวกกับเสียงอีกเี่ยถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นปฏิจจสมุปบาทในทวารหูก็เห็นความเป็นตาเช่น ว่าหูกับเสียงโสตวิญญาณผัสสะเป็นกรร ม, มวัฏเอ้าขออภัยวิปากวัเป็นชาติวิบากเนี่ยนะทีนี้ตันหากันหาเป็นอะไรกิเลสวัฏกรรมคือเจตนาเป็นกรร ม, มวัฏกรร ม, มวัฏก็เพื่อมีวิบากอีกต่อไปเขาก็เลยสัมพันธ์กันเชื่อมโยงกันเหมือนกับมเมล็ดพืช กับต้นพืชที่มันสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะนะพืชอันนี้ก็เป็นไปไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะวัตตาก็เป็นไปด้วยอาการอย่างนี้ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยคำสอนไม่เคยให้มีไปทำลายหูไม่เคยให้ไปทำลายเสียงไม่เคยให้ทำลายวิญญาณภาษาเวทนาแต่ว่าตั ว, ต, ว, ต, วตัวที่ร้ายแรงที่สุดคือตัวตันหาคิดยังไงตันหาจึงจักดลับบุคคลเมื่อเห็นจับหูโดยความเป็นของไม่เทียงตันหาจักลับ เห็นเสียงโดยความเป็นของไม่เที่ยงตันหาก็ดับถ้าเห็นเสียงโดยเห็นวิญญาณโดยความไม่เที่ยงก็ตันหาดับเห็นภาษะโดยความเป็นของไม่เที่ยงตันหาดับเห็นเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นตันหาก็จะดับทีนี้ถ้าอันนี้นี่ถ้าเอาแบบชั้นสูงไปเลยถ้าเบื้องต้นทวารหกยังไงให้เป็นสิกขาแทนเมื่อตามองเห็นคิดยังไงเป็นสิกขาเป็นต้นเพรนั้นเราก็จะมองเห็นแม้กระทั่งไตรสิกขาเพราะนั้นเมื่อก่อนนี้ ฟังโดยเฉพาะ อ, อริยสัจเนี่ยนะในสัจจะบัพภาสติปัฏฐานเราหรือแม้กระทั่งฟังธรรมะจักเป็นต้นเราก็ไม่เห็นอะไรมันลึกซึ้งอะไรตรงไหนทําไมเขาฟังแล้วเราบรรลุที่ไหนได้เราไม่ฉลาดเองเนี่ยนะสรุปว่าถ้ามองให้เห็นนะว่าตารูปวิญญาณภาษะเวทนานี้เป็นวิปากวัฏอันนี้เที่ที่จะโยงไปให้เห็นปฏิจจสมุป บ, บาทเพราะถ้าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเท่ากับเห็นอะไรอีก เห็นสมุทยัยสัจจะจะเห็นสมุทยัยสัจจะทวนอีกครั้งหนึ่งนะถ้าพิจารณาขันห้าในทวารหกแล้วเชื่อมโยงให้เป็นปฏิจจสมุปบาทถ้ามองปฏิจจสมุปบาทจะเห็นสมุทยัยสัจจะเมื่อเห็นสมุทยัยสัจจะเนี่ยเชื่อมโยงกันแบบนี้นะจึงมาพิจารณาว่าทําอย่างไรเนี่ยจึงจะดับสมุทัยได้เพราะสมุทยัยตัวหลักจริงๆก็คือตัวตันหา บุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรตัณหาจึงจดับก็รู้เห็นว่าจากโหไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละตัณหาจึงดับเห็นรูปโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละตัณหาจึงดับเห็นวิญญาณโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละตัณหาจึงดับเห็นวิญญาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัณหาจึงดับถ้าเห็นเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่หตัณหาก็ดับเพราะฉะนเวทนสูตรที่ยงเปเนีนัตต พระองค์ก็จะถามว่าดูความพิสูจทั้งหลายจะขู่เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงประเจ้าค่ะหัรูปวิญญาณทัศน์เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงประเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ประเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาคนหรือจะตามเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราควรไหมที่เธอเอาอายตนะเหล่านี้มาเป็นที่ตั้งของปัญหาไม่ควร แล้วพระองค์ก็บอกว่าอริยสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในอ่าย่อมเบื่อหน่ายในรูปย่อมหน่ายในวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายในภาษะย่อมเบื่อหน่ายแม่นเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นอะไรอีกเห็นนิโรธสัจจะเนี่ยนะก็จะเห็นเชื่อมไปเป็นเป็นกระบวนอย่างนี้เลยใช่ไหม มันถ้าเข้าใจอย่างนี้เชื่อมไปลักษณะหาระปร้าเราก็ศึกษาธรรมะก็ไม่น่าจะนะถึงจะขึ้นตรงไหนก่อนก็จะไม่ค่อยสับสนเนี่ยนะจะขึ้นตรงไหนก่อนก็ไม่ค่อยสับสนแต่สรุปอีกครั้งหนึ่งนะว่าพิจารณาขันห้าในทวารหกเมื่อพิจารณาขันห้าในทวารหกเสร็จแล้วก็มองให้เห็นเป็นปฏิจจสมุปบาทในทวารหกทีนี้ถ้าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะวิธีคิดง่ายๆก็คือ สมุทยะวาระนั่นเองปฏิจจสมุบาทประเภทคือถ้าปฏิจจสมุบาทบวกสมุ ท, ทยัยก็เรียกว่าสมุทยะวาระถ้าปฏิจจสมุบาทสายดับเขาเรียกว่าเนโรตวาระเท่านั้นเองก็สายดับคือความลึกซึ่งเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ถ้อยคําเหล่านี้แต่อยู่ที่การเอามาพิจารณาตามตามเป็นจริงเพราะวันวันหนึ่งเรานึกถึงคําสอนเหล่านี้น้อยมากเห็นไนะ เมื่อนึกถึงคําสอนมีอยู่ครั้งหนึ่งนะนั่งรถเมย์อยู่ในกรุงเทพนี่แหละแล้วค่อยคอยนึกคําสอนเหล่านี้โอ้ดีใจมากพอเห็นในตรงสี่แยกตรงนั้นเออสภาพแบบสี่แยกเมื่อโอ้เราเคยเจริญแบบนี้นะเบางทีไอาการพิจารณาแบบนี้นะขอมาพิจารณาบนรถเมยในเขตกรุงเทพนี่แหละมีอยู่ครั้งหนึ่งมีมาทุระในกรุงเทพก็เลยเอาเรื่องนี้มาคิดดูก็เลยเออทําให้เห็นสี่แยกเมื่อไรนะเริ่มนึกถึงไอตรงนี้อีกครั้งหนึ่งคือฉะัน้นเราก็พยายาม นึกๆไว้บ่อยๆนะคาสอนบางทีความเข้าใจมันก็จะเกิดในตามที่ต่างๆแล้วก็ทำให้เราเอาไปพิจารณาได้มากเห็นไนะพิจารณาตามทีนี้ในที่สุดเราก็สามารถเจริญได้ทุกแห่งเลยทีนี้ไม่กลัวเหงาแล้วให้เราแต่อย่ให้เรารอรถแต่ละกันอย่างเงี้ยเลย <laughs> แต่ถ้าว่าโดยปกติธรรมดาทั่วๆไปแล้วก็มีเรื่องอะไรให้คิดเยอะะไปหมดเลยเนี่ย สรุปได้ธรรมะไปเท่าไหร่แล้วร้อยหนึ่งสองร้อยหนึ่งได้อะไรไปบ้างแล้วหนึ่งขันห้าอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกอะไรอีกทวนอีกครั้งหนึ่งนะถึงตั้นะขันห้าอายตนะออนะอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกวิญญาณหกภาษาหก เวทนาหกสัญญาหกอะไรเจตนาหกอะไรกันหาหกนะกันหาหกวิตกหกวิจารหกเนี่ยเมื่อเราได้อย่างนี้นะคงพอเข้าใจง่ายๆทบทวนให้เห็นเป็นปฏิจจส ม, มุปาเห็นอะไรเป็นต้นศึกษาเพิ่มเติม ส่วนที่น่าศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยคือสัญญาสัญญาหกเนี่ยนะเจตนาหกตัณหาหกวิตกหกวิจารหกตรง น, นี้เป็นธรรมะที่ยังลึกซึ้งนนะเป็นธรรมชาติที่ยังลึกซึ้งอยู่เช่นสัญญาหกเนี่ยนะสัญญาอย่างที่เคยแบ่งว่าแบ่งเป็นสองกลุ่มก่อนใช่ไหมเป็นกุศลสัญญากับอกุศลสัญญา กุศลสัญญานี้แบ่งเป็นอะไรแบ่งเป็นเนกขมมะสัญญาอะไรอีกอพยาปาธาสัญญาอาวิหิงสาสัญญาถ้าเป็นอกุศลวิตกก็เป็นกามสัญญาพยาบาทสัญญาและวิหิงสาสัญญาก็เป็นกุศลสัญญากุศลสัญญาสัญญาหกประการโดยที่มีอารมณ์หก เพราะฉะนั้นถ้าใครที่พิจารณาสัญญาขันจริงๆนะพิจารณาสัญญาขันว่า เ, าเช่นยกตัวอย่างว่ารูปประสัญญาเนี่ยนะโดยที่มีสีเป็นอารมณ์เนี่ยบางครั้งเป็นเนคขมะบางครั้งเป็นอัพยาปาธาบางครั้งเป็นวิหิงสาบางครั้งเป็นกามบางครั้งเป็นพยาบาทบางครั้งเป็นวิหิงสาเมื่อมีสีเป็นอารมณ์เนี่ยนะเราะฉะนคนที่ศึกษาอย่างนี้ต้องเป็นนักอะไรนะ จิตวิเคราะห์ใช่ไหมแต่นี้ถ้าพูดให้ตรงบอกนักเจตสิกวิเคราะห์เพราะว่านับหนึ่งอารมณ์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างสติติค่อนข้างดีเมื่อรับอารมณ์นั้นปั๊บเนี่ยความรู้สึกอะไรของตนเกิดขึ้นแล้วเก็บข้อมูลอย่างนี้ไว้มากจนสามารถแยกแยะแความนึกคิดโดยเฉพาะภายในเนี่ยจนเก่งมากๆเลยแล้วอารมณ์เนี่ยโดยเฉพาะสีเนี่ยมันมีสีเนี่ยคูณกี่ล้านสี สีในโลกถ้าคนพันคนมันก็พันสีล่ะเนี่ยนะเพราะสีของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันจะให้เนี่ยสัญญาแตกต่างกันนะแม้กระทั่งอย่างที่เรียกว่ากามสัญญาเนี่ยนะสมมติว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เป็นที่รังเกียจของเราเลยโดยมากเป็นการมสัญญาใช่ไหมแต่ถามว่าในบรรดาการมเนี่ยธาตุของการมเนี่ยชอบเท่ากันไหมยกตัวอย่างอาหารบนโต๊ะนะเราก็ไม่รังเกียจทุกอันเลยเออดีหมดเลยถามว่าชอบเท่ากันหมดไหม อะทำไมไม่เท่าเนาะมันน่าจะเท่าอันนั้นตักมากหน่อยอันนี้ตักน้อยหน่อยเนี่ยแสดงว่าการรมาสัญญาธาตุอันนั้นมันไม่เท่ากันอีก